เราต้องฝึกมาสซะก่อ น, น, นให้ตัวเองไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายพอตัเงไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเรามีเวลาเลี้ยงเพลือ<ม>แล้วเราแยกให้ออกแยกให้ออกระหว่างหลงฮะหลงแล้วทํายังไงเราถึงใหญ่หลงแล้วก็รู้ตั ว, ขวเข้าอีกหลงแเราจะเกลเข้าไม่ใช่ว่า<ม>คิดอีกแนละ้วมันคิดอีกแนละ้วมีรมอีกแนละ้วอะไรเงนี้ยเราพยจํามพยายามจะดับให้มันไม่คิดดับไม่ได้หรอก มโมโหหมดจิตจะดับไปมันไม่คิดคิดอีกแล้วมันชอบคิดอะไรไม่ใช่เราให้จิตมันศึกษาเรียนรู้กระบวนการว่าหลงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมหน้าตาของหลงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หน้าตาของหลงนี่หลงเหมาลักษณะแบบนี้หลงเผลอเผลอไปมันเป็นอย่างนี้เพลินเผอทั้งวันอ๋ออาการเพลินเผลอทั้งวันมันเป็นอย่างนี้เราก็ให้จิตเนี่ยมันได้มีการกระบวนการเรียนรู้มันไม่เรียนรู้มันก็ตายเออะ โง่ตายต่อเท่าไหร่ก็โง่ตายอยู่นั่นแหละพวกก็เฮ้ยทำไมไม่นิ่งเอ๊ะทำไมมันไม่นิ่งอยู่นั่นแหละทำไมมันไม่ว่างทําไมมันทิดอยู่นั่นแหละอะไรอยู่นั่นแหละมันต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่จิตว่าอืมหลงเมอเม่อมีอาการที่เผลอเผลอเพลนใจลอยเออมันมีอาการอย่างนี้ฟุงซ่านเนี่ยฟุงซ่านมีอาการนี้หมกมุ่นเออหมกมุ่นมันไม่เหมือนกันแน่พวกเนี้ย เออถ้าเหมือนกันก็จะมีชื่อแตกต่างกันทําไมอ่ะมันไม่เหมือนมันหมกมุ่นอาการหมกมุ่นมันเป็นยังไงหมกมุ่นหมกมุ่นแมเราเออพราะเราดูเราสังเกตเราออกว่าเอออันนี้นัดมันเป็นอย่างงี้เว้ยหลงว้นี่คือหลงนี่ก็หลงหลงหลงหลงหงหลงหลงลงมาหลงพังนันนะเนี่ยเออแล้วก็พอยรู้สึกตัวขึ้นมาเอ่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ๋อพอรู้สึกตัวอ๋อรู้สึกตัวมัเป็นอย่างนี้เว้ยพอหลงปุ๊บขนาดจิตแรก ที่รู้สึกตัวกันมาอ๋อนี่คือความรู Houston, ้สึกตัวอ๋อลุกสึกตัวหน้าตาเป็นอย่างไงแต่รู้สึกตัวแป๊กเดียวเสียวนิดเดียวหลงอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ศึกษาดีกว่ามันหลงอะไรหลงเมอหลงเผลอหลงเพลินหลงใจลอยหลงปุงแต่งหลงปุุงสร้างหลงหมกมุ่นหลงหัวใจไปแปะอหัวใจเป็นแปะหลงหัวใจไปแปะไว้กับอะไรเออหลงหอาใจเป็นแปะไว้กับอะไรนี่ส่งจิตเรานอกคือส่งจิตเรานอกคือหัวใจไปแปะ ไปแปะไว้กับอะไรนี่คือส่สงจิตออนอกเราก็อ่านขาดหมดอ่ารู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวลงปุ๊บรู้สึกตัวขึ้นมาสเสี่ยวินาทีเดียวที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นขนาแรกนะขนาดจิตแรกที่รู้สึกตัวนี่เนี่ยคือไม่หลงอ๋อความรู้สึกตัวเป็นอย่างงี้ไว้สังเกตได้จชัดแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะหลงรู้สึกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวมจะหลงเป็นธรรมชาตินะเราจะไปหงุดหงิดเครียด พยายามบีบประคับให้ไม่หลงนะอันนี้ปฏิบัติผิดเลยทําให้ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ของจิตเราโง่ตายเลยเราจะต้องพอมันหลงละละหลงเบิ่งเผอเพินใจลอยตาพางเนี่ยมอง้ามองดินก็มองเนี้ยแล้วมันมองอะไรของมันวะไม่เห็นมันมีอะไรเลยมองอยู่นั่นแหะมองอยู่นานบาดทีมองมองไอ้เนี่ยเดินไปมองอยู่ข้างบ้านข้างตึกมอง พอดินไล้เราไปดูมันมองอะไรมนไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยมองแค่นั้นเองโอ้ยอย่างเงี้มยมันใจลอยมันเจลอยเนี่ยเราก็ดูอาการของเราอ่ะมันเป็นยังไงเจลอยฟุงซ่านหรือใจไปแปะไว้กับอะไรเอฟงจิต น, นอกนอกอใจไปแปะเออเราก็อ่านขาดปุ๊บเห็นชัดชัดเสร็จแล้วต้องเห็นชัดก่อนนะอ่านขาดเห็นชัดจับได้รู้สึกตัวขึ้นมาเลยอพอรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บ ขนาจิตแรกที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแน่คือรู้สึกตัวนั่ น, น, ค, นคือไม่หลงเพราะอะไรมันหลงไปแล้วไงแล้วเรารู้สึกตัวนะมันก็เลยไอตอนขนาดจิตแรกขึ้นมาเนะี่ยคือไม่หลงนะตอนนั้นเพราะอะไรก็มันหลงใหม่ๆไงแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บอันแน่ขณาดจิตแรกที่เรารู้ตัวเนะี่ยคือไม่หลงรู้สึกตัวห น, น, น้าตารู้สึกตัวไป็นยัไงเว้หน้าตะตอนี้มันหลงอีกปล่อยมันล้วสังเกตอีกพอเราสังเกตมากๆ เ, าเราสังเกตลนานๆบ่อยๆละเอียดๆก็ ไอพวกอาการหลงหลงเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นๆลงสั้นลงใครจะปล่อยให้บ้ายาวไปเรื่อยๆมันต้องสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงไม่ใช่ไหมยาวยิ่งยิ่งสังเกตยิ่งยาวไปเรื่อยๆใครจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นหรอกมันก็จะหลงสั้นลงทุกตัวเนี่ยทั้งมือก็จะสั้นลงเผลอก็สั้นลงเพลอนก็สั้นลงฟุ้งซ่านก็สั้นลงแล้วก็ใจลอยก็จะสั้นลงไอหมกปุ่นก็จะสั้นลงหมกปุ่นก็จะสั้นลงใจไปแตะไว้กับอะไรก็จะสั้นลงเนี่ยเพราะมันรู้กนละงร็อไ ก็พอะเรารู้สึกตัวเนีไยพอหลงปุ๊บเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวแล้วเราจําได้ว่าเอ้ยหน้าตารู้สึกตัวเป็นอย่างนี้มั้ยเราจําได้แเรารู้สึกตัวอหน้าตารู้สึกตัวอย่างนี้แต่แป๊บเดียวนะหลงไปอะไรเราก็ต้งเกตออกเนี่ยเราก็รู้สึกตัวอีกวันนี้เช่นะมันเคยหลงไปยี่สิบนาทีสึงยี่สิบนาทีเรารู้สึกตัวแป๊บมันหลงไปที่สองเนี่ยใครจะถึงยี่สิบนาทีมันไม่ถึงแล้วเพราะว่ามันรู้สึกตัวอยู่เนี่ยวันหลงแป๊บสิบนาที ปั๊บเท่าไหร่แกรู้สึกตัวลงอีกเสียวนาทีเดียวดี่รู้สึกตัวแป๊บไปแล้วลงอีกอ่ามันก็มรู้สึกตัวอยู่เนี่ยหลงห้านาทีกลับมาลงปั๊บรู้ลงปั๊บรู้ลงปั๊บรู้อ่ามันเลยจําไอ้หน้าตารู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้แม่นกว่าหลงแล้วแต่เนี้ยมันเลยจําหน้าตารู้เนี่ยได้แม่นกว่าหลงเพราะว่าไอ้รู้สึกตัวลงปั๊บรู้สึกตัวหลงปั๊บรู้สึกตัวลงปั๊รู้สึกอ่าไอ้หลงก็รู้สึกตัวหลงก็รู้สึกตัวมันจำได้ถูกเว้ยว่า ไอเนี่ยมันป๋แปดกันมากเลยแต่มันไม่ใช่คนเดียวกันมันเป็นป๋าแปดใกล้เคียงกันมากเลยว่าไอหลงกับรู้สึกตัวเนี่ยแต่เราเนี่ยปาดยังไงมันไม่เกินกว่าสังเกตได้หรอกเพราะไอคนแปดเหมือนยังไงเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆมันต้องรู้ความแตกต่างมันกเรียกชื่อผิดตายเน้นเราถึงว่าไอหลงกับรู้สึกตัวเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่เนี่ยเราสังเกตดีๆเนี่ยมันมันเห็นความแตกต่างวะเฮ้ยรู้สึกตัวกับหลงหน้าตาไม่เหมือนกันเว้ยนี่เราต่อไปแล้ว เราจำไม่นานตารู้สึกตัวได้เนแม่เราก็อยู่กับความรู้สึกตัวต่อไปเลยอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นพื้นอยู่กับหลงไม่หลงอยู่กับหลงไม่หลงเพาะหลงเรากรู้สึกตัวหลงก็รู้สึกตัวต่อไปเรารู้สึกตัวเป็นพื้นเลยหลงน้อยมากแทบจะไม่หลงเนี่ยอันนี้เป็นขั้นหนึ่งแต่ขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อรู้สึกตัวแล้วผู้รู้สึกตัวนั่นแหละพูดได้ไอ้ผู้รู้สึกตัวเนี่ยกับคิดตัวเองมันไม่หลงแล้วตัวเนี้ยแต่ไอ เฮนี่ไงไม่หลงแล้วฮะไม่หลงกูไม่หลงแล้วเว้ยกูรู้สึกตัวอยู่ไม่หลงไม่หลงแต่มันพูดใหญ่เลยมันพูดอยู่นั่นแน่กูไม่หลงแล้วกูไม่หลงแล้วกูรู้สึกตัวอยู่นะเนี่ยกูรู้สึกตัวอยู่แต่มันพูดจออยจอยจอยอยจอยจอยเออไอ้รู้สึกตัวพูดได้เว้ยนั่นแนะมันเลยเห็นอ้าวมันพูดได้อยู่ในใจที่พูดไม่ได้มันพูดอยู่ได้อยู่ในใจที่ว่างป่าที่พูดไม่ได้มันเลยไปพบอีกกัรนึือใจที่พูดไม่ได้ใจที่ว่างป่าใจเนี่ยภาษาของเป็นสมมุติชื่อวใจ แต่มันชื่อมันเยอะมากเนี่ยเช่นว่าธาตุรู้ธาตุรู้จิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมพุทธะไอ้ใจที่พูดไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไอ้ความรู้สึกตัวที่พูดได้อยู่ในใจที่พูดไม่ได้ไอ้ใจเนี่ยหรือเขาเรียกว่าจิตดั้งเดิมหรือใจดั้งเดิมหรือใจหรือพุทธะหรือตรงตามหาบุญเรียกว่าธรรมธาตุหรือเรียกนิพพานธาตุอรลันธาตุก็ได้ หรือเรียกว่าสุญญตาธาตุสุญญตาธาตุคือความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลหรือเรียกว่าหลวงตามหลวงปู่ดูลนตโรได้คําว่ามหาสุญญตามหาสุญญตาเลยคือไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างไม่มีดวงไม่มีวงใจไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างไม่มีดวงเป็นความว่างอันเดียวเนื้อเดียวกับจักรวาลที่ไม่มีขอบเขตเรียกว่ามหาสุญญตาและเนี่ยเราจะพบอันนั้น แล้วพอพบมันัเสร็จปุ๊บมันเหมือนกันเน่ะมันก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันคือสังเกตไหมขั้นตอนตอนแรกก็คือว่าเราหลงไปแล้วเรารู้สึกตัวหลงไปแล้วเรารู้สึกตัวพอนานๆเข้าเราเลิกหลงมาอยู่กับความรู้สึกตัวต่อไปเราเห็นได้รู้สึกตัวพูดได้เอ๊ะมันพูดได้อยู่กับในอยู่กับในใจที่มันไม่มีอะไรเลยพูดไม่ได้มันเป็นความบ้างเป่า แล้๋วก็มันก็หลงไปเป็นความรู้สึกตัวที่พูดได้แล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ผลที่พูดได้พูดอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเราก็หลงไปเป็นความรู้สึกตัวอยู่กับใจไอ้ความรู้สึกตัวที่พูดได้แล้วก็มันก็อยู่พอมันรู้ตัวขึ้นมามันก็ใจที่พูดเปล่าใจก็ว่างเปล่าแต่ใจว่างเปล่าเนี่ยมันก็เห็นว่าอไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ย มันพูดอยู่แต่มันไม่หลงไปเป็นความรู้สึกตัวท well ี่ไม่ที่พูดได้คือมันไม่หลงไปเป็นเป็นความรู้สึกตัวที่พูดได้แต่มันเป็นใจที่ว่างเปล่าเพราะมันเจออย่างนี้นานๆบ่อยๆครับบริการเป็นใจที่ว่างเปล่าและไม่เป็นความรู้สึกตัวที่พูดได้เนี่ยที่เขาเรียกว่าหลงมาเป็นรู้แล้วพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้ก็คือละผู้รู้ออกมามาเป็นใจที่ว่างเปล่าตอนแรกไปเป็นหลงแล้วก็มาเป็นรู้เพราะลวกขารู้อยู่แล้วนี่ะ รู้เป็นรู้ที่พูดได้เป็นรู้ที่พูดได้คือเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เอาตัวเราเป็น ค, คนรู้แล้วตัวเราก็รู้แล้วตัวเราก็พูดตัวเราก็รู้แล้วตัวเราก็พูดแล้วก็พยายามจะรักษาตัวเราให้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยไม่ให้มันหลงแล้วก็คารู้ไว้ไงไม่ให้มันหลงขารู้ไม่ให้มันหลงเลยกลายเป็นนะเราเนี่ยไปติดรู้ก็คืออะไรมันต้องรักษาเนี่ยเราเครียดมากเลยรักษ <assume> าให้มันรู้สึกตัวไว้ไอ้มันรู้ไว้ไม่ให้หลงเลยเป็นเครียดกับการที่รักษาตัวเองให้เป็นรู้ไม่ให้หลงให้รู้ไม่ให้หลงรู้ไม่ให้หลงก็เครียดมากเลยตัวเนี้ย เจวกระชังเนี่ยอ่ามันไม่เห็นว่าเฮ้ยไอ้ผู้รู้สึกตัวที่มันพูดได้มันมีความว่างไว้ยมันเดินเข้าไปมันมีความว่างเปล่าเป็นความว่างเปล่ามันจักรวาลรองรับไอ้ผู้ดีคว่ารู้สึกตัวที่มันพูดได้แต่พอมันขาดสติเผลอแป๊บมันไปเป็นในความรู้สึกตัวที่พูดได้คือกลายเป็นเราเป็นคนรู้ซะแล้วเป็นรู้เป็นเราเราเป็นรู้ซะแล้วแล้วมันก็รู้สึกตัวก็ไปอีกแล้วก็ถอรู้ตัวปุ๊บก็เลยแกเป็นคำว่า <mister ius> แต่ไอความรู er, ้สึกตัวท <es> ี่แต่ว่ารู้ตัวเนี่ยมันก็พูดไอตัวมนก็พูดใจจ่อยใจจ่อแต่เราไม่เปลเ่ยนมาแล้วก็เลยกลายเป็นความว่าเดี็วก็ลงไปเป็นไอไอพูดรู้สึกตัวที่รักษาตัวเองไว้พูดเจอยใจจ่อยจจ่อแต่ก็การรู้สึกรู้ตัวพอรู้ตัวพุ๊ก็กลายมาเป็นความว่าแต่เห็นว่าไอผูดที่รู้สึกตัวยังพูดเจจอยๆจมันพูดอยู่ในความว่าแต่เราเป็นความว่าแต่ไอพูดรู้สึกตัวก็ยังไม่ตายมันาะพูดเจอยๆจอยแต่ไม่เลยตะเลิดไปจนถึงหลงไปนู่น หลงเมอหลงเผลอหลงเพลเินหลงพุง้งซ่านหลงว่าใจไปแปะไว้กับอะไรมันไม่เลยดีไงว่าไรนั่นเลยว่าสิ้นหลงมาเป็นรู้รู้สึกตัวแล้วมาติดมาติดรู้รู้สึกตัวว่าเราเป็นคนรู้รู้เป็นเราเราเป็นรู้แล้วก็พบผู้รู้หลวงู่ดูลว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้หรือว่าหลวงปู่ลากิมาประตมบอกว่าผู้รู้ไม่ใช่พันิพาณผู้รู้ไม่ใช่พันิพาณ อย่าไปรู้แค่ขาไว้ว่าเราหลุดแล้วหลุดจากหลงแล้วพอเป็นรู้ไว้แล้วขารู้ไว้รักษาลูไว้เราสะอาดบริสุทธิ์ไม่หลงอีกต่อไปแล้วหลงว่าหลายคนหลงว่าไอ้รู้เนี่ยคือพันิานะะพาลหลวงปู่ลาวอ่ะผู้รู้ไม่ใช่พนันิพนานพันิพาลเหนือผู้รู้ขึ้นไปอีกจนไม่มีที่หมายก็คือว่างป่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไม่มีที่หมายนั่นแหละพันิพนานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายแต่หลวงปู่ดุลย์เต๋อใช่า พบผู้รู้คือู้รู้สึกตัวแล้วให้ค่าผู้รู้แล้วก็จะเลยผู้รู้ไปเป็นมหาสุญญาตาที่ไม่มีของเขตไม่มีที่หมาย